ในยะเดียวกันนความหมายในที่3นะหักเสกกรรมแห่งสังสารจักรคาว่าสังสาระเป็นชื่อของอะไรนะสงสารเนี่ยโอ้เห็นเขาร้องไห้สงสารเลยหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าสงสารสงสารไม่ใช่สงสารคือเห็นใจนะสงสารก็เห็นใจคนละอย่างกันสงสารในที่นี้หมายถึงลำดับแห่งขันท่าอายตนะที่เป็นไปโดยไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารหรือ กระแสแห่งชีวิตที่สืบเนื่องกันไปนี่แหละเรียกว่าสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดคำว่ารหังในยะที่สี่เลยนะเป็นผู้ควรเป็นผู้ควรบูชาด้วยปัจจัยทั้งหลายและสการะเป็นต้นเนี่ยเป็นผู้ควรต่อปัจจัยสี่เนี่ยนะเพราะอะไรพระองค์จึงเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยสี่ เพราะว่าปัจจัยสี่แต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นชีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนาะยุกยารักษาโรคถ้าไปถวายพระองค์เนี่ยของสิ่งนั้นจะมีผลมากจะมีอนิสงส์มากก็บอกว่าถวายพระโสดาบันเนี่ยเต็มจักรวาล น, นี่นะถวายเจาะจงพระโสดาบันเต็มจักรวาลเลยถวายพระพุทธเจ้าองค์เดียวมีผลมากกว่านะนะ เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีคุณที่เลิศเป็นผู้ที่มีคุณที่ประเสริฐที่สุดนะครเพราะฉะนั้นผู้ที่ทําบุญกับพระพุทธเจ้าด้วยปัจจัยมีจีวรปิณธาบาดเสนาสนะยุกยารักษาโรคเป็นต้นเนี่ยนะของเหล่านั้นที่เขาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเหล่านั้นย่อมมีผลมากมีอนิสงมากในอย่างหนึ่งพระองค์นั้นเป็นผู้ควรแก่เครื่องสักการะ สักการะบูชามีการกราบไหว้มีการเชื่อเชิญเนี่ยนะทำให้มีผลมาทางการเอาดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟเอาไปบูชาพระองค์ของเหล่านี้ก็เป็นของที่จะมีผลมากมียในสงฆ์มากเพราะพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงสุดจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่บูชาสักการะพระพุทธเจ้า ผู้มีคุณมากอย่างนี้ผลอันนั้นที่เกิดจากการบูชาจึงหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะพราะพระองค์มีคุณมากมายขนาดนั้นเนี่ยนะในโลกนี้ผู้ที่ควรแก่เครื่องสักการะบูชาที่เกินกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีเพราะพระองค์สามารถทำให้ของที่น้อยๆที่บุคคลบูชาเนี่ยนะทำให้มีผลมากได้ แม้กระทั่งในคำพีบางแห่งกล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนที่พระองค์เสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วไปเด็ดเอาดอกบวกบผมอยู่ดอกหนึ่งนะดอกบวบผมนี่มันเลื้อยขึ้นตามข้างรั้วเนี่นะเป็นดอกไม้สีเหลืองปมใหม่ปนิดไรเลยใครเห็นก็กเด็ดทิ้งธรรมดานางนี้ความที่ ทุคตะคือยากไร้เนี่ยนะไม่มีดอกไม้อย่างอื่นที่ประณีตกว่านั้นไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เก็บเอาดอกบวบขมนั่นแหละไปบูชาพระองค์ในระหว่างทางที่เดินทางไปบูชานั้นวัวก็ขิดตายนะก็บอกว่าด้วยใจที่เลื่อมใสนั่นแหละนางก็ไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ เนั้นใครอย่าไปนับว่าคนที่บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยสักการะเท่านั้นเท่านี้หรือดอกไม้อย่างนั้นอย่างนี้จะมีผลมากจะมีอนิสงส์มากเนี่ยนะเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีคุณหาประมาณนี้ได้อย่างนายมาลาการเนี่ยนะที่เอาดอกไม้ไปบูชาพระองค์ก็ได้รับผลมาก ม, มายมหาศาลเพราะนั้นผู้ที่บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท้งด้วยวัตถุท้งด้วยข้อปฏิบัติเนี่ยนะ พ้นผู้ที่บูชาอย่างนี้สามารถพ้นจากวัตรทุกข์ได้ในคำพีอปทานในพระไตรปิฎกเนี่ยนะฉะบับเราก็เล่ม70เล่มเเนี่ยในคำพีอัปทานเหล่านั้นก็กล่าวถึงผู้ที่ทำบุญไว้ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนปางก่อนเขาได้บูชาด้วยสาการะดอกไม้ของหอมเอาไว้เนี่ยนะแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์ เขาเหล่านั้นก็ถึงความพ้นทุกข์ได้จริงเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมควรแก่เครื่องบูชาถ้าเราจะบูชาใครในโลกนี้ผู้ที่มีคุณควรแก่การบูชาที่เกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีรอกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีใจเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้ก่อนหลับก่อนนอนตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะด้วยใจที่ตามลำลึกนึกถึงคุณของท่านจริงๆ ก็นับว่าเป็นบุญอย่างมากมายมหาศาลการที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะอุบัติขึ้นมาตรัสรู้ในโลกก็เป็นของยากเพราะฉะนั้นศรัทธาที่เรามี ก, รการกราบการไหวาการลุกครับการเชื่อเชิญการหาดอกไม้ของหอมเครื่องส ก, การะประทิบโภมไฟบูชาพระองค์นั้นจึงมีผลมากอันนิสง์มากเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีบารมีมากเพราะฉะนั้นคําว่าอารหันต์ก็คือเป็นผู้ควร ในอย่างหนึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าใช้สอยปัจใจสี่อวอนบินทบาทเสนาสนะเขาสร้างกุฏิอย่างดีให้ขนาดไหนพระองค์ก็จะไม่มีกิเลสไม่ด้วยจิตใจที่มัวเมาไปด้วยราค่าเหล่านั้นเลยถ้าได้ของดีใจของพระองค์ก็ไม่ฟูขึ้นด้วยอำนาจกิเลสถ้าได้ของเสียหายมีข้าวอะไรนะข้าวปนรำมงนะแป้งจีอ่ะแป้งจีเอารำมาทาเป็นแป้งนะเอามาแล้วก็มาปิง้ง แล้วก็เอาไปบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นั่งชั้นเหมือนทิพโอสถแช่ไหมนั่งชั้นอย่างเหมือนกับคนชั้นของที่อร่อยที่สุดประมาณนไไั้นแหละถึงไปได้ของอร่อยที่สุดก็ไม่ได้ว่าโอ้โหใจกิเลสเฟื่องฟูพระองค์นี้ไม่มีกิเลสบริโภคปัจจัย่ไม่มีกิเลสบริโภคจีวบินทบาทเสนาสนะเขาสร้างกุติอย่างดีให้ขนาดไห น, นพระองค์ก็ไม่ได้บริโภค ด, ด้วยจิตใจที่มัวเมาไปด้วยราคะโทสะโมหะ พระองค์นั้นพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากปัจจัยสี่เหล่านั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนะมันผู้ที่มีคุณธรรมคุณงามความดีอย่างนี้จึงควรแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่งทีนี้ความหมายต่อไปนะก็คือไม่มีความลับในการกระทาบาปควาว่าอารหันเนี่ยนะไม่เหมือนกับคนบางคนที่ชาวโลกพากันยกย่องว่าเขาเป็นบัณฑิต บางครั้งเขาอาจจะแอบแอบซ่อนทำชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้คนเห็นใช่ไหมเพราะว่าถ้าหากว่าเขาทำชั่วแล้วคนเห็นสการะชื่อเสียงเป็นต้นจะลดลงไปที่บางคนหรือไม่บางคนก็ไม่ทำชั่วเนี่ยนะเพราะกลัวคนอื่นจะตาหนิใช่ไหเคราะกลัวเสียชื่อเสียงเป็นต้นแต่พระองค์นี้ไม่เป็นอย่างนั้น ไม่ว่าที่แจ้งไม่ว่าที่รับคนเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามที่พระองค์จะแอบทําความชั่วทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีที่จะแอบพูดชั่วบนงุบงิบเนี่ยนะพร่ำด้วยอํานาจโลภะโทสะโมหะไม่มีคิดชั่วทางใจสักนิดก็ไม่มีก็เหมือนกับน้ําที่ใสสะอาดเต็มที่แล้วยังไงก็ไม่ขุนมัว เนี่ยนะแก้วมณีที่สว่างสดใสอย่างไรก็ไม่ขูดมัวใจของพระองค์ก็สดใสอย่างนั้นแหละเนี่ยนะไม่มีโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุให้พระองค์ไปทำชั่วทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับเนี่ยนะใครมองเห็นก็าตามไม่เห็นก็าตามความลับในการกระทาบาปไม่มีสำหรับพระองค์เนี่ยนะขนาดที่ลับที่สุดพระองค์ยังไม่ทำจะกล่าวไปใายถึงที่แจ้งจะกล่าวไปใ ห, ถ, ปใหถึงต่อนหน้า ทารกกำนันตอนหน้าประชุมชนซึ่งต่างจากคนมีกิเลสทั้งหลายท่า น, นคนมีกิเลสทั้งหลายถ้าได้ช่องเมื่อไรก็แอบแอบบโกรธอย่างนี้ใช่ไหมไม่กล้าโกรธตอนหน้าตรงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งแอบบโกรธในใจแอบบน้อยใจแอบเบสียใจพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะทีนี้ความหมายในย่าต่อไปของคําว่าอารหันต์ก็คือความเป็นผู้ไกล คำว่าความเป็นผู้ไกลก็คือไกลจากผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้รักษาศีลทางกายเนี่ยนะไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาคนผู้ไม่ได้ละราคะไม่ได้ละโทสะไม่ได้ละโมหะไม่ได้ละกิเลสเลยอ่ะพระองค์นี้ไกลจากคนที่ไม่ได้ละกิเลสไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและไกลต่อผู้ที่ไม่ฉลาดในธรรมะไม่ได้รับเหล่านั้น สรุปแล้วคนชั่วไม่มีวินัยของพระอริยเจ้าไม่มีทั้งปหานวินัยไม่มีทั้งสังวรวินัยเนี่ยนะอันปหาณวินัยเนี่ยนะตทางข้าปหาณอ่าตะปหาณเนี่ยมีตทางข้าปหานวิคัมพระนาปหาณสมุทเชธาปหาณปฏิปัสสัตที่ปหาณนิสรณะปหาณเนี่ยนะพระองค์นี้ไกลจากคนที่ยังชุ่มไปด้วยกิเลสอยงนั้นเดีย คนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีวินัยคนชั่วคนเลวซามทั้งหลายพระองค์นี้ไกลแสนไกลจากคนเหล่านั้นหรือคนที่ไม่ได้เห็นธรรมะของพระอริยเจ้าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นคนปฏิบัติผิดทรงเป็นผู้อยู่ไกลจากชนเหล่านั้นสรุปแล้วคนชั่วทั้งหลายแหลอยู่ไกลจากพระองค์พระองค์ก็อยู่ไกลจากคนชั่วแม้เขาเหล่านั้นจะ เดินติดตามติดสอยห้อยตามจับชายจีวรของพระองค์ก็ตามพระองค์ก็ชื่อว่าอยู่ไกลจากชนเหล่านั้นเนี่ยนะนี่เขาบอกว่าคนไม่มีปัญญาไม่เป็นบัณฑิตไม่เป็นนักปราชถ์ถึงจะอยู่ใกล้ๆพระองค์ก็มองไม่เห็นเหมือนกับลูกศรที่ยิงไปในยามค่ำคืนเนี่ยนะกลางคืนเดือนมืดเนี่ยนะยิงลูกศรใครจะไปมองเห็นเนาะ คนที่มากไปด้วยบาปมากไปด้วยอาุศลก็เหมือนกันถึงจะอยู่ใกล้ๆพระองค์พระองค์งก็มองไม่เห็นว่างั้นเด็คือมันมืดไปหมดอ่ะ <Embassy> ไม่มีบุญบารมีพอที่จะให้มองเห็นได้แต่ถ้านักปราดผู้เป็นบัณฑิตอยู่ไกล far north เรียกว่าหิมมวันตะบันพศแม้อยู่ไกลเป็นร้อยยศก็มองเห็นได้ เนะพระองค์นี้ไกลาจากคนชั่วว่างัน้นคนชั่วถึงไปติดตามติดสอยห้อยตามอยู่ใกล้ๆก็ชื่อว่าไกลาจากพระองค์เพรามันผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตไม่ได้อบรมคุณงามความดีไม่ได้อบรมกุศลธรรมคนเหล่านี้ไกลาจากพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะพอพูดถึงตรงนี้เราก็สำรวจตัวดูเนาะว่าเรานี่ไกลพระพุทธเจ้าหรือใกล้ถ้าเราดีเราก็ใกล้พระองค์นะแสดงว่าใกล้ไกลเป็นพักๆใช่ไหม ใกล้เป็นเวลาใกลเป็นเวล า, ล เ, เ, วลาเมื่อไหร่นะจะได้ใกล้ชิดพระองค์อยู่ตลอดเวลาต่อไปนะพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ใกล้ผู้ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาหรือว่าผู้ที่ละราคะละโทสะละโมหะละบาปละอกุศล เป็นผู้ที่ฉลาดในธรรมได้รับการแนะนำในธรรมเห็นธรรมะของพระอริยเจ้าและปฏิบัติชอบทรงเป็นผู้อยู่ใกล้ต่อชนเหล่านั้นเดียนะคนดีอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอยู่ใกล้พระองค์ถึงร่างกายจะห่างจากพระองค์เป็นร้อยยอดพันยอดเขาห่างแต่กายเท่านั้นแหละแต่ใจของเขาไม่ได้ห่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะคนดีๆจริงๆเนี่ย เชื่อว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเพราะเขามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาตามละลึกนึกถึงคุณของพระองค์วันเขาใกล้ด้วยใจก็เขามีความดีซึ่งใกล้ต่อพระองค์แต่ถ้าคนชั่วนี่ถึงรู ป, ปกายอยู่ใกล้แต่ใจนี่ห่างไกลกันหรือเกินเหมนกันอันสรุป ข้อที่7ก็คือพระองค์นิทรงอยู่ใกล้ต่อคนดีทั้งหลายคนที่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาคนที่ละบาปละอกุศลคนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระอริยเจ้าบาปประธรรมทั้งหลายมีราศีลคนมีปัญญานั่นเองรง่วมนำมาซึ่งความเสียหายในทิฏฐธรรมและเราก็จะใกล้พระอรหันต์ถ้าอยากไกลไม่ยากนะ ทำลายศีลพักเดียวเท่านั้นแหละโหพาละหันท่านกลัวนะบอกเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นโปรดไม่ขึ้นถ้าท่านพาละหันทั้งหลายเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายก็เพื่ออนุเคราะห์หวังประโยชน์เพื่อกูลหวังให้สัตว์เหล่านั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญและข้อต่อไปนะว่าคําว่าารหันก็คือทรงละบาปประรมทั้งหมดข้อนะ พระองค์นี้คำว่าอรหันต์ก็คือทรงละบาปธรรมบาปธรรมทั้งหลายมีราคะเป็นต้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมนำมาซึ่งความเสียหายในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพและเป็น่าศึกต่อปฏิปทาให้สัต ถ, ถึงพะนิพัทบาปธรรมเหล่านี้ทั้งหมดพระองค์ทรงละได้โดยเด็ดขาดละโดยสมุเทเชทปหานละโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะ โลพาโทสะโมหะมานะทิฐิวิจิกิจชาบาปอากุศลทั้งหลายเหล่านี้นน เ, นน เ, เนี่ยถ้าเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดกิเลสเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดทําอันตรายทําความเสียหายในทิฏฐธรรมน ะ, ะคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะพึงบังเกิดขึ้นในทิฏฐธรรมเนี่ยนะยกตัวอย่างเหมือนกับพระพระสุทินเนี่ยนะ กิเลสคือราคะที่เกิดขึ้นในจิตของท่านหรือด้วยอำนาจอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตของท่านที่จริงในชาตินั้นท่านมีอุปนิสัยแห่งมรรคผลนิพพานอยู่แต่เพราะบาปเพราะอากุศลเพราะกิเลสบางอย่างที่เกิดขึ้นทำอันตรายต่อมรรคผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นในสันดานของท่านหรือพระเทวทัตน์เนี่ยนะ ท่านน่าจะไปดีกว่านั้นเพราะท่านได้ฌานแต่เพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นที่เกิดขึ้นในขันธสันดานของท่านทําให้พระเทวทัตเสียหายก่อนหน้านั้นพระเทวทัตก็เป็นผู้เป็นคนดีจริงๆนะเป็นกาละยาณนะปุตุชนเป็นปุตุชนผู้ได้ฌานได้อภิญยาถ้าหากว่าไม่ดีจริงๆเนี่ยไม่ได้ฌานได้อภิญญาหรอกนะแต่เพราะบาปเพราะอากุศลนั่นแหละมันทําลายทําให้พระเทวทัตเสียหายปนปย์ไปหมดเลย ไ, นะไม่น่าจะทำชั่วก็ต้องไปทำชั่วไม่น่าจะทำสังฆเพศก็ถึงกับทำสังฆเพศ ท, ทำให้คนดีๆหลายคนเสียหายจากประโยชน์ที่จะพึงเห็นในชาตินี่นแหละคุณงามความดีใดๆที่จะพึงได้ก็เสียหายไปแม้กระทั่งสัมปรายภพก็เหมือนกันกิเลสเหล่านี้เนี่ยทำลายต่อประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นในสัมปรายภพการเกิดขึ้นในโลกหน้า สัตว์ทั้งหลายแทนที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์แทนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเกิดในสถานที่ดีๆสูงๆหรือว่าไปเกิดในสุทาวาดพรหมแต่เพราะราคะโทสะโมหะ ท, ท, ที่เกิดขึ้นในจิตของเขาทําให้เขาก่อกรรมทาชั่วทําก่อทาแต่บาป พ, พูดก็พูดที่คำพูดที่เป็นไปกับอกุศล คิดก็คิดแต่เรื่องที่เป็นไปกับอกุศลเมื่อเขาก่อกรรมทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกที่จริงไอ้กรรมที่เป็นเหตุไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนะซึ่งพระองค์ทรงละได้โดยพ่อแม่โวทําบาปแล้วบาปประนั้นจะตกไปถึงลูกพ่อตกนรกพาลูกตกนรกไปด้วยเนี่ยนะบาปที่พ่อทําไหลไปถึงลูกไหมไม่ถึงเนี่ย เพราะว่าบาปประกรรมเป็นของเฉพาะตัวเป็นของเฉพาะตัวไม่มีใครทําเผื่อกันได้ไม่มีใครทําแทนกันได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละที่ทําลายสัตว์ทั้งหลายที่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาสนรกเป็นสัตว์เนราชานเป็นยุงเป็นเหลือบเป็นมดหนักกว่านั้นไปเป็นเปรตเป็นอสุ ร, รากายหรือว่าไลไปตกนรกเพราะบาปประธรรมคือราคะโทสะโมหะนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเอโลภาโทสะโมหะเป็นข่าศึกภายในเป็นศัตรูภายในซึ่งพระองค์ทรงละได้โดยเด็ดขาดนะและกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยทำลายต่อปฏิปทาที่ให้สัตว์ถึงพระนิพพานปฏิปทาที่ทําให้สัตว์ถึงพระนิพพานนั้นก็เป็นชื่อของโพธิปัจจะธรรมธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้อย่างเช่นสติปัฏฐานส สัมมาประธานสี่อิทิบาสสี่ยินสี่ห้าพัละหโพชงเจ็อาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แธรรมะเหล่านี้เนี่ยเป็นปฏิปทาที่ทําให้สัตว์ถึงพระนิพพานเนี่นยนะเพราะฉะนั้นศีล ส, สมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นธรรมะที่ยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานเนี่ยพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมคําสอนที่มีอยู่ในปิฎกเหล่านี้เป็นคําสอนที่ ยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานเนไหมเมื่อสัตวทั้งหลายปฏิบัติตามคำสอนเหล่านี้สามเมือย่างถึงพระนิพพานได้แต่แต่แตราคะเกิดขึ้นมาทำลายศีลของเขาเบ ป, ปนลตี้หมดเลยโทสะเกิดขึ้นมาก็ทำลายศีลของเขาโมหะเกิดขึ้นมาก็ทำลายศีลของเขาที่ทเกิดมาก็ทำลายศีลของเขาโดยไม่มีส่วนเหลือ เพราะฉะนั้นเอกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นทาลายศรัทธาที่มีอยู่ในจิตของเขาทั้งหมดทาลายฮิริโอตาปะที่มีอยู่ในใจของเขาทั้งหมดทาลายศีลที่เขาจะพึงมีทาลายสมาธิทาลายปัญญาทาลายวิมุตต์เนี่ยนะทำลายสติปัญญาทาลายโพชงทาลายอรรยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะ จริงเขาไม่น่าจะเสียหายขนาดนี้แต่เพราะราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาพวกนี้แหละที่มันทำลายให้เสียหายซะจน ป, นป่นปนะีเห็นโทษอย่างนี้มั้งนะยมเทอเห็นโทษอย่างนี้มั้งนะวันก่อนเลยทำบุญเลยตั้งความปรารถนาเลยใช่หอาสวะขยาวหังนิพานนางโหตุให้ทานนี่ก็ขอจงเป็นไปเพื่อความสิ้นปลายแห่งอาสวะแบบนั้นแอ ว, ว่าให้ทานรักษาศีลเมื่อไหร่ก็ขอให้เป็นปัจจัยให้หมดกิเลสหมดตัณหาไม่กิเลสตัณหาเนี่เสียหายจริงๆเลยนะก็ะบอกรถคันงามๆรถดีๆสนิมเกิดขึ้นทําลายเสียหายหมดเลยเนาะสนิมแท้ๆมันทําลายเหล็กเนาะไอกิเลสแท้ๆนี่แหละมันทำลายหัวจิตหัวใจเนี่ยแม่ใจใสอยู่ดีๆเนี่ยนะโทสะจรเข้ามาเสียใจเลยยังไงโทสะเกิดขึ้นมาทําให้จิตกําเริบ ก็บอกว่าโทสะย่อมยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโกรธย่อมไม่รู้สึกคนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่ถูกความโกรธครอบงำเหลือแต่ความมืดเหมือน มันมึดมิดไปหมดเลยอะไรก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นบุญมองไม่เห็นบาปมองไม่เห็นดีไม่เห็นชั่วไม่เห็นธรรมะดำไม่เห็นธรรมะเขาไม่เห็นประโยชน์ในโลกนี้ไม่เห็นประโยชน์ในโลกน่าแล้วเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดก็เกิดจากบาปประธรรมนั่นเองประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานขนาดอีกในยะหนึ่งนะอรหังไปลืมหมดเลยนะบุญคุณที่พ่อแม่เคยทําไว้ขนาดไหนจําไม่ได้แม่